สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปราดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอเรื่องราวคติของปราดและชุดของท่านมานําเสนอกับในวิธีการนําเสนอเน้จะใช้วิธีการอ่านเป็นคำํคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทุกคนเปลี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0897991212ครับเมื่อคราวที่แล้วเดีวผมนําเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจกไปพร้อมกับหนังสือที่ชื่อว่า ครุวิภาคคุรุนะครับซึ่งมีทั้งหมด20ท่านนะครับในบรรดาหนังสือในระดับคุรุทั้งหลายทั้ง20ท่านเนี่ยนะครับผมนำเสนอไปทั้งหมด19ท่านนะครับมีเพียงท่านเดียวที่ไม่ได้นำเสนอคือใช้คําท่านใช้ชื่อว่านะมีรานะครับซึ่งผมว่ารู้สึกมันจะเป็นตํานานมากเกินไปเขาไม่ได้นําเสนอ20ท่านที่ว่านี่นะครับนำเสนอมาทั้งหมดเวลาเป็นเวลาเกือบเอ5ปีนะคือนําเสนอในส่วนที่ท่าน โ, โชพูดถึง ประวัตินะครับแล้วก็การขยายความของท่าโดโชและอีกส่วนนึงก็คือเรื่องราวของคําสอนของท่านซึ่งมีผู้ร่วมประว้วหรือว่าถ้าเป็นผููเขียนเนียก็ตามท่านใดจะได้ไประโยชน์ยังไงนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าส่วนผมเองนั้นผมได้สิ่งที่ผมคิดว่าผมได้ชัดๆส2ท่านก็คือว่าอันแรกก็คือพระเยซูนะพระเยซูนะครับก่อนหน้าที่จะมาอ่านเรื่องราวของพระเยซูในคําสอนของท่านโดโชโยเนี่ยผมก็ต้องจะเรียนตามตรงว่าผมมีความรู้สึกว่า การที่เราจะเอาคําสอนของพระเยซูไปเผยแพร่เนี่ยครับเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนกับว่ามันจะเป็นมิจฉาทิฐิหรือมันจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่เป็นผลดีต่อต่อผู้คนนะครับแต่หลังจากที่อมองอีกบุมหนึ่งของท่านโองโชว์แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมก็ใจศาสนาคริสต์มากขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งนะครับของยุทธชาติแล้วก็รู้สึกว่าเรียกว่าเต็มใจที่จะที่จะเผยแพร่ด้วยนะครับ ส่วนที years, he he ่ท um, <Yes. S 1> ่านนี่ก so um, so ็คือเรื่องของท่านกิสรเมติท่านกิสรเมติความจริงผมอ่านเรื่องของท่านมาตั้งแต่เมื่อ30มิบปีที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าได้อะไรเท่าไหร่นะครับอ่านหนังสือเรื่องแดนหนุ่มสาวอ่านไปก็คิดว่าน่าจะอ่านจบนะครับแต่อ่านแล้วก็เหมือนเหมือนกับเราคงจะเรียกว่าปัญญาไม่ถึงอ่านแล้วก็ไม่คิดว่าได้อะไรเท่าไหร่ไม่ติดว่าไม่ติดอ่านแล้วก็วางแล้วก็จบแล้วก็ไปที่อื่นต่อแต่พอมาอ่านของกิสรเมติในครับในอีกประมาณ20่สกว่าปีต่อมาเนี่ย โดยที่ท่านอุดช่วยเป็นผู้บรรยายผมสะดุดและกลับไปอ่านใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมอ่านของท่านิซานมูติิกมากมาตลอดต่อเนื่องอีกหลายอีกหลายเล่มมากจนถึงปัจจุบันก็ยังอ่านอยู่นะครับผมคิดว่าได้มุมมองที่สําคัญสาคัญอย่างยิ่งตรงที่ว่านะท่านคิซานมูติไม่เน้นเรื่องความเชื่อไม่เน้นเรื่องการอบรมไม่เน้นเรื่องคุรุนะประกอบ ก, บกับการที่เราศึกษาจะเรียกว่าศึกษาศาสนามากขึ้นศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นทําให้เราเห็น กับดักของความเชื่อกับดักของของการครอบงาทางความคิดสูงมากๆแล้วจนถึงขนาดว่าเห็นว่าป็นที่พ้นของของคำสอนของขี้แสมรดกนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดอยู่เป็นระยะๆว่าการที่คนเราจะถูกครอบงำด้วยความคิดเนี่ยนะมีโอกาสสูงมากมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการถึงรู้สึกว่านะการมาสู่ของพระเจ้าเป็นสู่ที่สําคัญมาก ส, สู่หนึ่งนั่นเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้นะครับก็ กว่าครึ่ ง, งนะครับแล้วจะ ก, กว่าข้อโดยจําไปนะครับมีความเชื่อมีอะไรต่างที่ที่ติดยึดมาแล้วไม่สามารถที่จะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันฝังรากถึงตรงกระทั่งไม่เห็นอย่างอื่นแล้วได้จากสิ่งที่ตัวเองถูกปลูกฝังมาแทนหนึ่ ง, งนะับนั่นคืสิ่งที่ผมเชื่อผมได้จากหนังสือครูวิภาคครททูที่เด่เด่นหลังจะจบนี่ไปแล้วนะที่ว่า น, น, นาเสนอ ม, มาประมาณสี่ห้าปีนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะ จริงๆแล้วผมก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าควรจะนําเสนออะไรนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ท่าผู้ฟังที่ผู้ชมคิ ด, คดว่าจะนําเสนออะไรก็นะครับก็สามารถที่จะแนะนําได้นะแต่แต่ว่าเรื่องจัดเถอะนะครับไม่มีประโยชน์เท่าไหร่วิชาทณิติอะไรก็ได้เท่านั้นนะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าจะแนะนํำยังไงก็นะครับก็กพร้อมจะรับาฟังเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่หลังจากนี้ไปจะไปยังไงต่อนะครับผมก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่แต่ที่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่านะครับอยากจะนําเสนอเรื่องราวของเขาเรียกว่า ปวงปรัชญาเมธีนะจริงๆไม่ได้อยากนําเสนอเท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้ามันยังหาที่ที่เหมาะสมกว่านั้นไม่ได้คือจริงๆจุดที่ผมสนใจจริงๆนะผมสนใจบรรดาบรรดาปราชผู้ซึ่งเรียกว่ามีสาระทางจิตวิญญาณในในเชิงของการรู้แจ้งพร้อมกับนําพาสังคมไปด้วยนะครับไม่ใช่ประเภทที่ไปดุยๆคนเดียวแล้วก็นะสังคมเป็นยังไงโลกเป็นยังไงฉันไม่เกี่ยวไอ้แบบนั้นผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะซึ่งก็เรียนตามตรงว่า เทนะ่าที่ผมมีปัญญาเห็นเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครเท่าไหร่นะโทรทัพน์เห็ง น, นี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะพ่อครูท่านบรรยายเป็นหลักอยู่แล้วผมก็พยายามดึงจากที่อื่นมาซนะึ่งผมก็ตามปัญญาก็อย่างที่ว่าครับผมยังไม่เห็นใครที่เป็นบุคคลร่วมสมัยนอกจากเรื่อง ข, ข, อ, งของท่า น, ฤนกฤษณะบตรีกับท่านโอโชนะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะนำเสนอมากเ ก, กินไปเพียท่านกฤษณะบุตรีท่านไม่อ้างอิงใครนะครับถ้าเป็นคําสอนของท่านก็คือของท่านจริงๆแต่ท่านไม่อ้างใครทั้งนั้นส่วนท่านโอโชนั้นมีอ้างหลายผู้หลายคน แต่ว่ามันไม่ม well ีฉบับเป็นภาษาไทยมีแต่ฉบับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมเองก็ใช้เวลาแปลนานนะครับแล้วก็ก่จะคือมันไม่แปลไม่ทันเนี่ยนะครับแต่จะมาออกมาออกอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยไม่มีปัญญาแปลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าแปลไปเรื่อยๆเสร็จเมื่อไหร่ก็เมืนั้นซึ่มันไม่ทันตอนแล้วก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็จะนําเรื่องราวของปวงปัญญาเมตีมานะครับซึ่งคิดว่าเล่มหลักที่จะใช้ไปก่อนไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องของลัทธิแลปต์ลัทธิของปวงปัญญาเมตี ซึ่งราช บ, บัณฑิตสมบัตบุรวาดนะครับเป็นผู้เป็นผู้เขียนไว้นะครับก็ อ, อีกประมาณ20ท่านนะครับเป็นแนวโน้มเขาจะเรื่องราวจะมาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะบรรดานักปรัชญาเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้รู้แจ้งนักปรัชญาเป็นนักคิดแต่มีประโยชน์นะครับในการอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมคิดว่าเรามีโลกกระทัดและชีวิตทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นนะครับนั้นนี่คือแนวโน้มในอนาคตที่คิดว่าจะทําต่อไปถ้านะครับถ้านะอยาที่ว่าครับถ้ า, ถ, าถ้าคิดว่านะมันไม่มีอะไรดีกว่าดี ส่วนช่วงนี้นะครับมีอยู่หนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะนําเสนอแทกไปก่อนนะก็คือเรื่องที่ชื่อว่าเชนหนทางอัญโยนแยงซึ่งตรงนี้ครับเป็นเป็นคํญญาบรรยายของท่านโอโชซึ่งผมต้องอธิบาย ห, หรือต้องขยายความไปเป็นระยะ้วว่าว่าท่านโอโชพูดถึงใครก็ตามนะครับมันก็คือแว่นของท่านโอโชซึ่งแว่นนี้จะใส่หรือจะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทผู้ฟังจะเป็นผู้ที่ใช้ดูพืนที่เอาเองนะครับเพราะว่า ท่าโดชั่วถ้าเป็นคนที่เป็นคนที่ลีลาท่านไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมีคนหนุมก็มากต้านก็นเยอะนะครับเพราะว่าลีลาท่านสวิสวายมากนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ไม่ค่อยยอมรับท่านหรอกนะครับท่านโดยชัวยนะ่วเป็นเจ้าของรถโรลส์รอยยี่สิคันนะครับส่วนคาอธิบายไปอ่านในเรียกว่าอาจารย์ชีวติของท่านเองครับท่านมีคำอธิบายว่าอย่างไรนะก็เพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้ก็ทําให้หลายคนคิดว่านะครับเป็นเรื่องไร้สาระนะที่จะติดตามคนเหล่านี้ ก็ไม่ว่ากันนะส่วนผมเองเท่าที่ศึกษามาผมเชื่อผมได้ประโยชน์จากท่านโอชโชได้มุมมองบางอย่างบางสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยแต่ก็นะครับก็ต้องเรียนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านโอชโชกสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นเรื่องตันตระเรื่องโยคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ออกมาจากจากปริชา ย, ยานหรือจากปัญญายาณของท่านโอชโชซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ย่อมมีสิทธิ์นะครับแล้วในนี้นก็พูดไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่จะนําเสนอต่อไปเนี่ยมันประมาณสักสีิบหน้า เพราะคิดบุนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เรื่องราวของเซนนะในทัศนคของท่านโอโชนะครับก็มาเริ่มนะครับผมนาเสนอเพียงแค่สบทนะถือเป็นลักษณะของการหนังตัวอย่างนะครับคือเรื่องที่บทที่ชื่อว่าบทนำนะครับกับบทที่ชื่อว่าดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะครคือเรื่องของเซนเนี่ยนะครับเรื่องของเซนมันเป็นเรื่องที่ประวัติของของเซนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชัดแจ้งมากมายแต่ตามที่ท่านโอโช บรรยายไว้แล้วเขาบันทึกไว้ในหนังสหลายเล่มเนี่ยว่ากันว่าต้นสายจริงๆเลยก็ยคือท่านมหาคสปะนะครับในคราวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตัดคือมีผู้คนมีบรรดา เ, าเรียกว่าอะไรนี่ยสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมนะครับในนั้นมีทั้งภาษาลิบุพระรมโมคคัลลานะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนะครับนั่งอยู่นานสองนานจนกระทั่งใครๆก็งกงกันไปหมดได้ข่าว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไม่ตัดอะไร นะผู้คนมาพรา้อมจะฟังทนานาแล้วท่านไม่จัดอะไรที่สุดท่านยื่นดอกบัวนะครับยื่นดอกบัวนะให้กับท่านมหากรสปะนะครับแล้วท่านมหากรสปะเองเนี่ยนะตามเรื่องที่ท่านโชว์เล่าเนี่ยก็หัวเราะนะครับหัวเราะแบบเรียกว่าหัวเราะแบบไม่ยั้งนะครับหัวเราะแบบกั้นไม่อยู่เพราะมีความรู้สึกว่าผู้คนเนี่ยนะครับติดใจแต่คําพูดนะติดใจมีคือจะสื่อความจริงเนี่ยต้องใช้คําพูดซึ่งคําพูดมันไม่สามารถสื่อความจริงได้ คำพูดมันเป็นยแ ค, แค่ตัวแทนของความจริงแต่ไม่ใช่ตัวความจริงแต่ท่านมหาคัศปานี่เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะสื่อเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสื่อได้ด้วยคําพูดสุดท้ายท่านก็ให้สัญญาอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่คําพูดแตใใ่ให้ดอกบัวและท่านมหาคัศปาก็ได้รับเป็นตัวแทนที่ได้รับสิ่งนั้นมาและถือว่านั่นแหละเป็นต้นสายนะครับของอาการรู้แจ้งหรือครับหรือการ ส, สื่อธรรมะโดยไม่อาศัยคําพูดนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยครับบอกว่า ผู้ที่นำคำสอนในแนวเนี้ยนะครับมาก็คือท่านตักหมาอนะครับท่านพรมที่ทำนะซึ่งเป็นใคร่ะเป็ น, เ ป, นเป็นพระรุ่นที่6นะครับในสำนักนี้นะซึ่งนำธรรมะในในแบบเนี้ยนะครับไปสู่ประเทศจีนนะไปสู่ประเทศจีนแล้วไปเติบโตนะครับท่านเช้คำว่าไปไปเติบโตที่จีนแล้วไปออกดอกออกผลที่ญี่ปุ่นนะนั่นคือเรื่องราว ของเซนนะครับที่อาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะครับผมเริ่มที่ตรงนี้นะฮะ บ, บอกว่าบทนาบอกว่าวิถีแห่งเซนนั้นก้าวล้ํานําหน้าไปเกินกว่าวิธีของพระพุทธเจ้าและท่านเล่าจื๊อมากเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการบรรจุดพบกัน ร, ระหว่างอัชีริยภาพของอินเดียกับจีนเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีรยภาพอินเดียในขณะที่ท่านเล่าจื๊อถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีรยภาพจีน การพบกันครั้งนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการผสมผสานสาระแก่นสารอันแก่นอันแท้จริงของคําสอนทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนลื่นไหลจนกลายเป็นสายธารธรรมที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นี่ไม่ใช่การสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่หางจะเป็นการบรูรณาการของสองสิ่งเข้าด้วยกันจนได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซนนะครับแค่ย่อหน้าแรกนี่ก็อาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับเห็นแตกต่างกันไปได้เยอะแยะแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าผมไปได้ศึกษา นะอะไรก็ตามที่ผมยังไม่เห็นด้วยกับตาเนี่ยนะครับผมก็ไม่สรุปนะครับพยายามที่จะเรียนรู้มากกว่าประเด็นแรกก็คือว่าผมคิดว่าจํานวนไม่น้อยนะครับที่เราเติบโตมาเป็นชาวพุทธนะแล้วเราก็ถูกสอนว่าพระพุทธเจ้าคือสุดยอดนะครับโลกนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะจะเอาเล่าจือ้อเอาพระเยซูมาเปรียบเทียบมาต่างหรือมาทำให้เสมอเหมือนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการลดความยิ่งใหญ่หรือลดความสําคัญของพระพุทธเจ้าลงนะก็มีสิทธิ์จะคิด นะครับแต่ผมคิดว่านักศึกษาคือคนที่มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์มากๆไม่คิดอย่างนั้นนะครับคือหมายถึงว่าไม่ด่วนสรุปในสิ่งที่ตะเบนก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะเพราะฉะนั้นลีลาของท่านโอโชก็จะออกมาในแนวนั้นแหละนะครับคือว่าคืออาจจะไม่ได้นะถึงแม้ว่าท่านจะบรรยายเรื่องราวของพระเจ้าว่าเป็นผู้สูงเด่นยังไงก็ตามแต่ก็ลีลาของท่านโอโชเวลาท่านบรรยายถึงใครท่านก็จะพูดถึงว่าคนนั้นว่าก็สูงเด่นนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับท่าที่ผมอ่านมาเนี่ย ท่านเราโชว์อ้างถึงพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะครับมากที่สุดแต่ในที่นี้นะครับจะบอกคุณอย่างนี้ครับว่าวิธีแห่งเซนนั้นเนี่ยก้าวล้ํานําหน้าไปกว่าวิธีของพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับฟังไปดูแล้วเนี่ยมันเหมือนคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ไม่สูงเด่นเท่านะครับและท่านเล่าจือมากก็คือนะบอกว่าไกลกว่าทั้งทั้งสองท่านนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการบรรจบพบกัน ร, ระหว่างอาเริยภาพของอินเดียกับจีนเลยทีเดียวพราะพุทธเจ้าถือเป็นจุดสูงสุดของอาเซียภาพอินเดีย ในขาะที่ท่านเล่าจือ้อถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีภาพจีนนะซึ่งผมนําเสนอไปทั้ ง, งสองท่านแล้วนะครับจากหนังสือคุรุวิภาคคุรุที่ว่าการพบกันครั้งนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการผสมผส า, สานสาระแกมสารอันแท้จริงของคําสอนทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนลื่นไหลจำกลายเป็นสายธารธรรมที่ไม่สามารถแยกออกจา ก, กันได้นี่ไม่ใช่การสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่หากแต่เป็นการบูรณาการของสองสิ่งเข้าด้วยกันจนได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซน การที่เรียกขานกันว่าศาสนาพุทธนิกายเซนนั้นถือว่าไม่น่าจะถูกต้องนักเนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจับต้องหรือเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับเซนแต่เซนก็ไม่ได้ดูธรรมดาสามัญเหมือนกับหลักเต๋าของท่านเล่าจือ้อวิสัยทัศน์แบบเซนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูสามัญธรรมดาให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งได้ดีการผสมผสานพุทธและเต๋าให้กลมกลืนเข้ากันเป็นเซนนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่แสนมหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าการที่เรียกขานกันว่าศาสนา พ, พุทธนิกายเซน นะครับซึ่งคนจำนวนจํานวนไม่น้อยก็มองอย่างนั้นนะบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมีนิกายเป็นหนเป็นนิกายเซนนิกายเซนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นนิกายย่อยในมหายานบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เลครับนิกายเซนก็คือนิกายเซนนะมหายานก็คือมหายานนะครับอันนั้นถือว่าไม่น่าจะถูกต้องนักเนื่องจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถกลับต้องหรือเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับเซนแต่เซนก็ไม่ได้ดูธรรมดาสามัญเหมือนกับหลักเต่าของท่านเล่าจือ ไนะว้สายทัดของแบบเซนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งได้ดีการผรสมผสานพุทธและเต๋าให้กลมกลืนเข้ากันเป็นเซนนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แสนมนสาสศจรรมากอนาคตของมวลวิเศษชาติจะเข้าใกล้วิถีแห่งเซนเข้าไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าเซนเป็นการพบกันอย่างพอดีพอดีระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกการพบกันในด้านนี้จะเป็นไปได้โดยอาศัยผ่านทางเซนเท่านั้น โลกตะวันตกเข้าถึงความเป็นโลกยุวิสัยให้ชัดเจนได้เป็นข อ, ขอไปหาโลกตะวันตกเข้าถึงความเป็นโลกยุวิสัยได้ชัดเจนในขณะที่โลกตะวันออกกลับเป็นไปในทางตกงกันข้ามถ้าเช่นั้นแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมโลกทั้งสองนี้เข้าเดือดกันนะครับเส้นเข้าไปเป็นกระแสะอยู่ในตะวันตกประมาณในขั้ปลายสายที่ยี่20นะครันั้นมีดาราดังด้วยนะครับที่หานมานนัถือพุทธแบบเส้น อนาคตของมวลวิทยาาติจะเข้าใกล้วิถีแห่งเซนเข้าไปเรื่อยๆทั้นี้ก็เพราะว่าเซนเป็นการพบกันอย่างพอดีพอดีระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกครับคือมันเข้ากับยุคโลกาพิวัติ์นะครับการพบกันในษณคนี้จะเป็นไปได้โดยอาศัยผ่านทางเซนเท่านั้นโลกตะวันตกเข้าถึงความเป็นโลกรีวิสัยได้ชัดเจนนะครับปีมาแล้วนะครับซึ่งเขานะครับตั้งแต่ยุคเขาเรียกว่ายุคยุคเขาเรียกว่ายุคที่สองนะครับ ดนะึกไม่ออกนะสืบสายไทยก็แปลกันไว้ฟื้นฟูนะครับยุคฟื้นฟูนะฟื้นฟูเลยนะสองแล้วกันนะครับขออภัยนะในขณะที่โลกตะวันออกกลับนะกลับไปมิติทางตรงกันข้ามนะถ้าเช่นนั้นแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมโลกทั้งสองนี้เข้าด้วยกันพระพิทธเจ้ไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมได้พื้นฐานของพระองค์คงไว้ซึ่งความเป็นตะวันออกคําสอนของพระองค์มีสิญญายของโลกตะวันออกที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญ คนบางคนอาจเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของพระองค์ดังนั้นพระองค์จะเป็นสะพานเชื่อมได้อย่างไรท่านเราจีอ๋เองก็เช่นกันท่านมีแต่ความธรรมดาสามัญเป็นการอยู่ในโลกคีวิสัยอย่างเต็มๆประเทศจีนเองก็มีลักษณะเช่นที่ว่านั้นว่ากันแล้วประเทศจีนมีจิตแห่งความเป็นโลกตะวันตกมากกว่าโลกตะวันออกใชออันนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเ อ, อิญที่ว่าทําไมจีนจึงเป็นประเทศแรกในซีกโลกตะวันออกที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาความเชื่อในเ ร, อนะเรื่องการไม่มีพระเจ้า หรือความเชื่อที่ว่ามนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจีนมีความเป็นโลกยุทวิสัยมาตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วมีความเป็นโลกตะวันตกมา 5,000 ปีแล้วด้วยเหตุนี้ท่านเหล่าจือ้อจึงไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโลกทั้งสองได้เช่นกันท่านเหล่าจื้อก็มีลักษณะเหมือนซบ้าติกลีกค่อนข้างมากขบวนลิทนะท่านโอชูก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมได้พื้นฐานของพระพุทเจ้านั้นนะคงไว้ซึ่งความเป็นตะวันออก คำสอนของพระพุทธเจ้ามีกิจนายของโลกตะวันออกที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญคนบางคนอาจเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของพระองค์ดังนั้นพระองค์จะเป็นสะพานเชื่อมได้อย่างไรก็คือเข้าไม่ถึงนะครับก็เลยเป็นสะพานไม่ได้ท่านเล่าจี้อเองก็เช่นกันท่านมีแต่ความธรรมดาสามัญเป็นการอยู่ในโลกวิสัยอย่างเต็มๆประเทศจีนเองก็มีลักษณะเช่นที่ว่านั้นว่ากันแล้วจีนมีจิตแห่งความเป็นโลกตะวันตกมากกว่าโลกตะวันออกนะมากกว่าโลกตะวันออกเสี คือเท่าทียจีนจะเป็นเดียนะครับย้อนประวัติศาสตร์ไป 3- ามสามพปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนประดิษฐ์คิดค้นแบบที่ตะวันตกประดิษฐ์คิดค้นนะครับได้ในในทะี่ว่าครับตั้งแต่ยุคยุคเรย์องเป็นต้นมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝรั่งเริ่มคิดได้แต่ความจริงหลายอย่างหลายสิ่งนั้นจีนคิดมาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิมพ์เรื่องการดาษนะฮะหรือเรื่องดินปืนในแต่ตนานาหล า, ายอย่าง ขณะที่อินเดียนั้นก็อย่างที่รู้กันนะอินเดียอาจจะมีการแย่งชิงอํานาจอะไรกันนะครับมีความรุนแรงในระดับหนึ่งแต่ในทางด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับอินเดียก็เป็นเมืองศาสนานะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยลัทธิแตกต่างมากมายนะเป็นบอกว่าจีนเนี่ยเป็นโลกที่เป็นตะวันตกมากกว่าโลกตะวันออกซะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าทําไมจีนจึงเป็นประเทศแรกในซี่โลกตะวันออกที่นิยมระบอบคอมมิวนิสนะครับก็คือศาสนาไม่ได้ฝังลากลึกในจีนนะท่านเล่าจื๊อเกิดมาในยุคเดียวกับท่านคงจื๊อนะครับแต นะท่านคงจื้อซึ่งพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องรัฐะเรื่องจริยธรรมนะกับได้รับความนิยมมากกว่านะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นรากลึกทางจิตวิญญาณของเตา๋ากับไม่มีความหมายอะไรมากมายนะที่สุดจีนก็เปลี่ยนเป็นการปกรครองในระบบคอมมิวนิสต์ประมาณปี 2491-92 ทแถวนี้นะแต่คำว่าจีนกี่องค์ตอกี่องที่ใช้คาว่านับถือพุทธนะแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นพุทธอย่างที่เราเข้าใจเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัช ญ, ญาความเชื่อเรื่องการไม่มีพระเจ้าหรือความเชื่อที่ว่ามนุษย์คือสิ่งที่นะครับคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดกว่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจีนมีความเป็นโลคีพิสัยมาตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วมีความเป็นโลกตะวันตกมาห้าพันปีแล้วด้วยเหตุนี้ท่านเหล่าจีจึงไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโลกทั้งสองได้เช่นกันท่านเหล่าจีก็มีลักษณะเหมือนชอวบ้าเดกริกค่อนข้างมากชนะาวบ้านเดกริกเนี่ยเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวละครซึ่งซึ่ง เขาบอกว่าเขาขยายมากกว่านั้นเป็นวรรณิยัติที่ประพันธ์โดยนิคอสนาคาซานิคาซิสนะครับนักเขียนชื่อดังชาวกรีกพวกโซบ้าเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องของเรื่องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกลมกลืนกับธรรมชาติร่าเริงร้องรําทําเพลงนะครับไม่มีหลักการใดๆให้ยึดปฏิบัตินะคับนบอกว่าเขาบอกว่าท่านเราจุน้นเหมือนโซบ้าเด็กกรีกค่อนข้างมากเขาไปเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเส้นเท่านั้นที่จะเป็นสะพานเชื่อมได้เพราะว่าในแกนแท้ของเส้นนั้น วิธีของพระผู้รู้เจ้าและของท่านเหล่าจื่อได้ถูกกลมรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันการบรรจบพบกันได้เกิดขึ้นและปรากฏอยู่ในเส้นแล้วเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นสพานเชื่อมันยิ่งใหญ่ที่ทําให้โลกทั้งสองฝั่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเส้นจะเป็นจุดนัดพบจุดนัดพบระหว่างอนาคตกับอดีตสิ่งที่น่าสัจจะเป็นอย่างยิ่งก็คือเส้นไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคตความสนใจทั้งหมดนั้นพุ่งไปอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพียงอย่างเดียวเมื่ออดีตและอนาคตถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันด้วยปั และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นปัจจุ บ, บันขณะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกาลและเวลาพวกท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ว่าปัจจุ บ, บันขณะมีความยาวเป็นช่วงเวลานานเท่าไหร่ในเมื่ออดีตการนั้นจะมีช่วงเวลาอนาคตการก็เช่นเดียวกันแล้วปัจจุ บ, บันขณะล่ะหากพิจารณ์ช่วงเวลาระหว่างอดีตกับอนาคตแล้วเราจะวัดช่วงเวลาของปัจจุ บ, บันขณะได้หรือมันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลาอะไรทั้งนั้นหากจะเป็นการทะลุเข้าสู่ห้วงแห่งกาลและเวลาที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นนิรัน และเซนเองก็นำลงอยู่ในปัจจุบันขณะคําสอนทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราจะอยู่อย่างเป็นปัจจุบันได้อย่างไรเราจะหลุดจากขั้วเวลาแห่งอดีตและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีของเซนจึงเป็นเรื่องของความทับพทานทันใดซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะสามารถเชื่อมต่ออดีตกับอนาคตไว้ด้วยกันได้มันสามารถเชื่อมต่อหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอดีตกับอนาคตตะวันออกกับตะวันตก ร่างกายกับจิตวิญญาณและท้ายที่สุดมันจะเชื่อมต่อไปอยังโลกที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อได้นั่นคือการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งโลกิยะกับโลกแห่งโลกตระนะกับโล ก, โกตระระได้ในที่สุดนะครับนี่คือคือส่วนส่วนที่เหลือครับผมจะอ่านทวนอีกครั้งนะครับบอกว่าข้าพเจ้ามาถึงท่านโชุดะพิจารณาดูและเห็นว่าเส้นเท่านั้นที่จะเป็นสะพานเชื่อมได้ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะครับเพราะว่าในแก่นแท้ของเซนนั้นเนี่ยวิธีของพระพุทธเจ้าและของท่านเหล่าจือได้ถูกหลอมรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน การบรรจบพบกันได้เกิดขึ้นและปรากฏอยู่ในเสซนแล้วเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตนะครับเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเชื่อมอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้โลกทั้งสองฝั่งนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเส้นที่เป็นจุดนัดพบจุดนัดพบระหว่างอนาคตกับอดีตสิ่งที่น่าสัจรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือเสซนไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคตความสนใจทั้งหมดนั้นพุ่งไปอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพียงอย่างเดียวเมื่ออดีตและอนาคตถูกเชื่อมโยงเข้าไป้ด้วยกันด้วยปัจจุบันขณะและแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ปัจจุบันขณะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแล้วเวลาพวกท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ว่าปัจจุบันขณะมีความยาวเป็นช่วงเวลานานเท่าไหร่ในเมื่ออดีตการนั้นจะมีช่วงเวลาอนาคตการก็เช่นเดียวกันแล้วปัจจุบันขณะละ่ะหากพิจารณาช่วงเวลาระหว่างอดีตกับอนาคตเราจะวัดช่วงเวลาของปัจจุบันขณะได้หรือมันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลาอะไรทั้งนั้นหากแต่เป็นการทะลุเข้าสู่ห่วงแห่งการเวลาที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นนิรัน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 และท้ายที่สุดมันจะเชื่อมต่อไปอยังโลกที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อได้นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งโลกิยะกับโลกุตละได้ในที่สุดนะครับี่จบนะฮะส่วนของบทนำนะครับมขึ้นบทที่ชื่อว่าดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่าดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันช่างไร้ขอบเขตทว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ณที่นี้มันช่างลึกซึ้งและชัดเจนเมื่อใดที่ท่านค้นหามันท่านจะมองไม่เห็นมัน ท่านไม่อาจครอบครองมันไว้ได้แต่ท่านก็ไม่มีวันสูญเสียมันไปได้ในขณะที่ท่านไม่พยายามจะไ ข, ขว่คว้าหามันท่านก็จะได้มันไว้เมื่อใดที่ท่านนิ่งเงียบท่านก็จะได้ยินเสียงของมันเมื่อใดที่ท่านเปล่งวาจาออกไปมันก็จะไร้เสียงประตูบานใหญ่เปิดกว้างไว้ให้ทุกคนไม่มีฝูงชนมายืนขวางทางท่านไว้นะครับก็เป็นพยายามบอกอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างกระชับแต่ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับดังท้องฝา่า ด, ดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันช่างไร้ขอบเขตทว่า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 พยายามบอกอันนี้ก็ตรงนี้ถือว่าเป็นปริศนาเซนอย่างหนึ่งนะครับที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างแล้วนะครับก่อนเดินเข้าพระเจ้าขอทําความเข้าใจบางอย่างที่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของเซนประการแรกเซนไม่ได้เป็นไปตามหลักเทววิทยาทั่วไปหากเซนเป็นศาสนา ก, ก็เป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวศา ส, สนาอื่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าด้วยเรื่องพระเจ้าพวกเขาจะมีทฤษฎีต่างๆมากมายพวกเขายึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาคนเป็นสูงกลางเพราะมองว่าคนไม่ใช่จุดสุดท้าย มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นจุดสุดท้ายแต่นั่นไม่ใช่เซนเซนถือว่าคนเป็นเป้าหมายสูงสุดคนมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตัวของที่ตัวคนแต่ละคนสําหรับเซนแล้วพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายในความเป็นมนุษย์ของเขาคนแต่ละคนต่างก็พาพระเจ้าอันเปรียบไอันเปรียบได้กับศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพวกเขาไปไหนมาไหนตลอดเวลานะครับผมเด่าว่ส่วนหนึ่งนะว่าคือคำบรรยายของพระโดชโยเนี่ยส่วนมากบรรยายให้คนตะวันตกฟัง ท, ทั้งๆที่ท่านโรโชก็ตามท่าน India, But, าก on, India 2, I mean ิซัมก oh. mm. in oh. mm. ็ตามเนี Together, no. ouais. ่ยท่านเป็นคนอินเดียนะเป็นคนอินเดียแต่คําสอนของท่านเนี่ยมันไปแพร่หลายในตะวันตกนะครับในขณะที่อินเดียเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะก็อย่างที่ว่าครับอินเดียเขามีความเชื่อของเขาที่ที่เชื่อมกันมาตั้งสา0สีปีแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอะไรที่บางอย่างซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ีการต้อนรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคําสอนของท่านเหล่านี้นะครับมันจะเป็นคําสอนที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องพูดกกกััับบาาววตตะะนนนคค่อข้งมร บอกว่านะประกาศแรกเซนไม่ได้เป็นเป็นไปตามหลักเทววิทยาทั่วไปคำว่าหลักเทววิทยาเทววิทยาก็คือเรื่องราวการศึกษาเรื่องของพระเจ้านะครับซึ่งศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งหลายเขาก็ศึอศากั น, นเพื่อจะบ่งบอกอะไรบางอย่างที่ให้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นนะครับซึ่งก็นะก็ไม่ต้องวิจารณ์นะครับเพราะว่ามันคงไม่งานเท่าไห ร, ร่ครับขณะนี้ผมก็กำลเสนอนําเสนอเนื้อหาเจอเอที่ชื่อว่าเซนหนทางอันย้อนแย้นะครับท่านโดชวัวเป็นผู้บรรยายนะดรปรภพลผาสุขยืด เป็นผู้แปลและเรียบเรียงนะครับวันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญแซบสนุมบุญด้วยยมทีวีครับขอบพระคุณครับเจนทําครับ